เต็มที่ชาบ้วันนี้วัตถุภเตรยมตัวนไมไม่มมมี่ได้งนอะไรนเปิดทีวีเจอทีน่าแหละครับผมผมก่อนหน้าจอแล้วเสียดายติดถ้าไม่ติดสัมนาติดได้เนงทนะเอาเปว่าแฟนพันท้จตีเหมือนกันเราดูทุกช่องเปลยนไปเปนะร เอางั้นเราเริ่มกันเลยนะครับเอาเอกสาร่อดยดูด้วยกันงั้นเริ่มลกันได้ครับเริ่มแล้วเหรออ่าผมพูดอะไรไป้างเม่กีหลุดอะไรไปม้าง อาบูดุบิลลอฮฺม์นะชัยตันอัลรติมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรห์รี د ิมอินะลฮะมด ا ลิลลาห์นะฮ์มดุหฺว์นะส ل กนฺห์ว์น و สตะนุสฮ์ดีนะงูดุบิลล ا ฮฺม์นะช د ุ ل อันฟุสซีนาวะมิซียะติะมารีนามัยฮ์ลิลลาฟะลามูดิลลาวะมัยยูดลิลห์ฟะลาฮดลามบสลามอะลัยุมวะรมุลลวะบระกาตุครับมาพักผ่อนนะครับพักอกพักใจก คำพูดของพู้อัลลอฮ์นะครับวันนี้เราจะมาทำการเรียนรู้กันในสุรต์ที่93ของคัฟีอัลกุรอานนี่ก็คือสุรต์อูฮาเอ๊ะอันนี้เป็นน้องชายหรือเปล่าครับ <c oughs> ครับ <c oughs> อ๋อนะครับดูดูดูแน่อ่อนลงไปเยอะเลยนะครับอาชารย์ <c oughs> <c oughs> มเอันหมือนเนเป็นมุมประจำกับเป็นนั่งแล้วจะสบายใจหน่อยอย่างนั้นนะครับผมครับใช่ครับเอานีเียคนนไอ๋ออพอเขาชวนเขาล่วงมาครับเาล่วงมาเสร็จเาก็กลับไปแล้วครับเชิญยายครับผมสุรที่93นะครับอธิด็กตแอเาะไมสบ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا วَ خ خ ل แล้วِัลัยรัตุ خير ุล ك َ مِنَ الأولى ُ و َ ل َ س َ و ْ ف َ ي ع ط ي ك ر َ ب ّ ك َ ف ت َ ر ض ا ء أ ل م ي ج د ك ي ت ي م ا ف َ آ و ى ووجدكضالفهدى َََ و و ج د ك ع ا ئ ل ا ف أ ن ف ا ف َ أ َ م ل ي ت ي م َ ف َ ل ا ت ق ه ر وأمسائل ََََ فلاتنهر ََ วَาَามะ by ِิยามที่รับค่ะฟَ حدث فتح الله عليكم و ج ا ك م الله أن أولي المسلمين خير الجزاء ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับในพระดำรัสหรือว่าคำพูดของพู้รสมานหัวตาในบทที่93ที่ชื่อว่าดุฮา ซึ่งตามศัพท์ปกติเรามักจะแปลว่ า, ายามสายที่รู้กันก็คือจะแปลว่ายามสายในที่นี้ครับเรามาดูความหมายทีละอายะทีละอายะทีละอายะแล้วก็เราค่อยมาดูถึงรายละเอียดที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับทั้งหมด11อายะเป็นสุรอม ก, กิยาก็คือถูกประทานก่อนการอพยพของท่านน บ, บีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮิวะซัลลัมก่อนหน้่สุร้ออัตดูฮาก็คือสุร้ออัลเลล ก็คือพวงละพูดถึงยามค่ําคืนก่อนแล้วก็มาพูดถึงยามกลางวันหลังจากนั้นก็พูดถึงความง่ายดายที่พวงละนั้นให้ก็คือในส่วนของสุราชัตหรืออินชล้อที่เราเรียกพูดุยกันในสัปดาห์ก่อนครับพวงละผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงดียิ่งใหญ่ได้กล่าวว่าวัดด uh ูแฮขอสาบานกับยามกลางวันขอสาบานกับช่วงเวลากลางวันคําว่าด uh ูแฮเนี่ยความหมายตรงตัวจะแปลว่าช่วงใสา ย, สาย ช่วงสายๆตั้งแต่ที่ว่าดอาทิตย์เริ่มขึ้นนะครับจนกระทั่งถึงก่อนที่จะทําการละหมาดดูรี่อันนั้นทั้งหมดเรียกว่าเป็นช่วงเวลาดูฮาแต่ว่าในกุรานนี้นกักตถาธิบายกุรานมีความเห็นตรงกันว่าครอบคลุมถึงเวลากลางวันทั้งหมดคือพึงละได้สาบานถึงช่วงกลางวันทั้งหมดขอสาบานต่อช่วงกลางวันวันไลลีอีลาเซจ์แล้วก็ขอสาบานต่อยามค่ําคืนเมื่อมันได้เข้ามาแล้ว เมื S <S <an> ่อมันได้เข้ามาแล้วก็คือเกิดความมืดเรียบร้อยแล้วมาวัดดาการับบุกาวมาโกละพระผู้วิบาลของเจ้านั้นไม่ได ah ้ทอดทิ k k ah. al ้งเจ้าแล h, ok án, ้วพระองค์ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเคืองเจ้ามาวัดดาการับบุกาวมากละวาเลลลาคีรตุขัยุลเลกามินอูละสำหรับเจ้าแล้วโลกหน้านั้นมันดีกว่าโลกนี้ วลาเซฟยุติการรับบุกฟัตตอซึ่งพยูบาลของเจ้านั้นจะได้ให้แก่เจ้าจงเจ้าพอใจให้จนเจ้าพอใจอ i เลมเยจิเตเคยตีมังฟาอวาไม่ใช่กรณนั้นหรือที่พระองค์นั้นพบว่าเจ้านั้นเป็นเด็กกำพร้าแล้วพวกนั้นก็ได้ให้ที่พักผีแก่เจ้าว a ไ a จด์ดากลบอนลังฟะฮดาแล้วก็ไม่ใช่หรือที่ว่าพยุบาลของเจ้านั้นได้พบว่าเจ้านั้นหลงทาง แล้วพวกก็ได้ให้ทางนำแก่เจ้าว่าจะเดากาอีลังฝาอึนะแล้วพวกนั้นพบพระเจ้าเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นผู้ที่เดือดร้อนฝาอึนะแล้วพวกก็ได้ทำให้เจ้านั้นมีความพอเพียงฝะอเมลยะตีมาฟะลาะตะกหับดังนั้นสำหรับเด็กกาพร้าเจ้าจงอย่าได้ขับไล่เขาอย่าได้ตเพิดเขา ว่าอัมมาเซออิลฟาเลตันฮัถ้าเกิดว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือเจ้าก็จงอย่าได้ไล่เขาไปว่าอัมมาบีนิอมติรอบบิกฟาฮัดดิสแล้วก็ด้วยความโปรดปานความพอพระทัยขอวีบานของเจ้าที่มีต่อเจ้านั้นเจ้าก็จงพูดคุยให้มากจงพูดถึงให้มากครับฟังแล้วรู้สึกไงครับเข้าใจเราถ้าเข้าใจกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้จะมีอะไรคุยกันะเราไปสุรต่อไปเลยแล้วกัน ครับเรามาทําความเข้าใจให้มากขึ้นอีกก็คือความหมายตรงตัวครับฟังดูก็คือก็ไม่มีอะไรซับซ้อนตรงๆพงศ์แล้ถ้าเกิดเราดูนะครับในยะจะแบ่งเป็นประมาณ3มช่วงหลักๆถ้าไม่นับการสาบานนะครับพงศ์สาบาในใยามสายยามยามค่ําคืนแล้วพงศ์ก็ได้พูดประกอบรวมท่านละบีมัสเรซามว่าอลัลลอฮ์นั้นไม่ทิ้งนบีแน่นอนแล้วก็ไม่ได้กดดันท่านลบีแน่นอนแล้วพงศ์ก็ได้ตอกย้ำกับท่านลบีว่าโลกหน้ามันดีกว่าโลกนี้นะ ซึ่งในโลกหน้าพงษ์แล้วจะให้เจ้าจนเจ้าพอใจอันนี้คือช่วงวักแหลกเป็นการปลอบปรโลมเป็นการให้กำลังใจหลังจากนั้นพงษ์บอกว่าไงครับเป็นการพูดถึงความโปรดปานที่เคยให้มาในอดีตเมื่อก่อนเจ้าเคยเป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมพระเจ้าก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าแล้วพงษ์พบว่าเจ้านั้นหลงทางพงค์ก็ให้ทางนําแก่เจ้าแล้วก็พบว่าเจ้านั้นต้องการความช่วยเหลือก็ได้ช่วยเหลือเจ้า อันนี้คือวรรคที่2แล้ววรรคที่สามพวกเราก็ได้บอกว่านั้นท่านอบีควรทําอะไรบ้างนะครับคําสั่งถึงท่านอบีก็คือสั่งถึงพวกเราก็คือดังนั้นเด็กกาพร้าอย่าได้ไปจะเพิดอเขานะแล้วก็ถ้าเกิดมีคนขอก็อย่าได้ไปขับไล่เขาแล้วก็จงระลึกถึงความปวดปานของอัลลอฮ์นี่คือประเด็นทั้งหมดที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้อินชาอัลลอฮ์ครับผมถ้าอะไรมีคําถามก็เดี๋ยวเราคุยกันผมอยากจะเห็นภาพให้มากที่สุดก่อนเอกสารมีไหมครับรู้สึกว่าเขาจะถ่ายจะตรงนี้มีมีมีอยู่ครับม ถ้าเราดูในบันทึกขีมัมบุคฮรีขีมามมุสลิมแล้วก็อีมัมเติรมีดีรอฮิมฮุมลุลลอหนะครับหรืมัมนาซีเช่นเดียวกันเราจะพบว่ามันมีที่มาที่ไปในการที่พระองค์ประทานสุร้อนนี้เพราะถ้าเราดูสํานวนบางท่านนจะรู้สึกติดใจในบางช่วงเหตุใดผู้ละถึงพูดว่าพผู้ละไม่ได้ทิ้งนบีแล้วก็ไม่ได้โกรธเคืองนบีอ่าครับมันมีประเด็นอยู่ที่มาที่ไปครับ ในบันทึกของนักรายงานดิสเนียท่านกล่าวไว้ว่ามีช่วงหนึ่งที่ว่าวะฮีเนี่ยการให้วะฮีจากอัลลอฮ์เนี่ยขาดหายไปช่วงหนึ่งแล้วบรรดาชาวกุลิสก็ไปย่อเยยท่านอบีบอกว่าไหนเราวะฮีหายไปแล้วเจ้าดนพระเจ้าทิ้งไปแล้วหายไปช่วงหนึ่งแล้วพวกมก็ได้ประทานสุลล้อนี้มาซึ่งถ้าเกิดเราดูในสายรายงานหนึ่งนะครับเราจะพบว่ามีรายละเอียดที่เกิดขึ้นมากกว่านั้นก็คือว่ามีช่วงหนึ่งที่ว่าท่านอบีทําการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยแหละ แล้วช่วงที่กําลังเผยแผ่เนี่ยท่านก็โดนลุมคว้างด้วยหินคว้างด้วยก้อนหินจะเลือดท่านอะไรออกมาอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ตออิฟนะครับที่มักกาเนี่ยแหละในกลุ่มกูเรสเนี่ยก็โดนปาจนเลือดตกหยางออกก็มีผู้หญิงซึ่งก็คือใครครับอุ ม, มูจามินอุ ม, มูจามินคือใครใครรู้บ้างแม่แห่งความสวยงามคนที่สวยสุดติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊ตก ความรือคืนผมเร็วไปไหมอูมูจามียนคือภรรยาของอาบูอาบูละฮับอาบูละฮับลุงของท่านอบีุลเก็คือมีศัก์เป็นป้าท่านอบีนลเนแหละมีศักเป็นป้ า, า, ป, ป, าป้าเขยท่านอบีคือนางเนี่ยงามมากจากนได้ฉายาว่าแม่แห่งความงาม อุมูจามิ น, มมนก็คืออุมูจามินก็พูดดูถูกกับท่านนบีว่าไหนล่ะชัยตอนเขาเรียกว่าชัยตอนนะเขาเรียพกพงลักษมานว่าเป็นชัยตอนซาฟรุลลออุมูจิจามินแบบว่าไงครับไหนล่ะชัยตอนที่เคยคอยให้องค์การแก่เจ้าหายไปไหนแล้วเจ้าเดนคว้างปลาขนาดนี้ยังไม่มาช่วยอีกเหรอก็พูดก็กคงจะเจ็บใจร <laughs> ะดับหนึ่งทาบบ่านบีเมื่อไหซ้ำพูดสัทธาเราถ้าเกิดพูดถึงว่าตัวเองดูถูกอัลลอฮ์ทิ้งเป็นเรื่องที่ใหญ่สําหรับเรา เป็นประเด็นที่ใหญ่คือเหนื่อยกายเหนื่อยใจโดนทําร้ายยังไงเรารับได้แต่ถ้าเกิดเราจะรู้สึกว่าโดนพระเจ้าทอดทิ้งมันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งวะฮีก็ขาดหายไปประมาณ3มวันแล้วพระวกเลาก็ได้ประทานสุร้อนนี้มาให้รู้ว่าพงงนั้นไม่ได้ทิ้งท่านนบีแล้วก็ไม่ได้โกรธเคืองท่านนบีเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีลําดับขั้นตอนของมันซึ่งก็เหมือนกับเป็นการเตือนผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยแหละครับว่าในบางครั้งชีวิตของเราเนี่ยอาจจะมีช่วงที่ว่าเรา รู้สึกว่าอยากกลับเนื้อกับตัวอยากเป็นคนดีของออฟล้อแล้วพอเราเลือกที่จะเลือกหนทางที่ดีงามเดี๋ยบางครั้งเราจะพบว่าหนทางมันไม่ได้ง่ายใดมันไม่เหมือนที่เราเคยอยู่มาปกติที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแย่ๆเรารู้สึกว่าชีวิตไม่ลําบากแต่พอเราคิดจะเป็นคนดีปุ๊บบางทีมันจะหนักขึ้นมันจะยากขึ้นบางทีความช่วยเหลือของออฟล้อไม่มีบางทีแล้วเราขายโปรตีนเรามีสินค้าฮารอมอยู่บางทีขายมามา่าไม่มีฮาร่าเลยประมาณเนี่ย แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรพอมาวันหนึ่งเราอยากจะเลิกขายพอเลิกขายปุ๊บรู้สึกว่ายอดขายมันตกโดนทดสอบไหมโดนทดสอบบางคนยุ่งกับของฮารอ ม, มาเยอะๆตลอดชีวิตนะครับกำไรเข้ามาตลอดแต่พออยากจะเปลี่ยนกับเนื้อกับตัวปุ๊บหาธุรกิจที่ฮาล้ลนบางทีมันยากมากบางคนโดนทดสอบเรื่องนี้หนักครับคือเขารู้สึกเหมือนว่ามันหาทางไม่เจอเลยเขาจะไปทางไหนที่ฮาล์ลน โดยที่ว่าเขาลืมคิดว่าในกุรานพวกเราบอกว่าแล้วพวกเขาอย่าได้คิดว่าการที่เราให้ความผาสุกในดุนยามันคือสิ่งที่ดีสําหรับเขาแท้จริงมันไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับเขาอันนี้คือเราเตือนไว้ว่าความสุิทในดุนยามันไม่ใช่สิ่งที่ใช้วัดอะไรได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันครับเรารู้ที่มาที่ไปของสุลต์ละทีนี้ครับเรามาดูทีละอายะกันเริ่มจากอายะที่หนึ่งก็คือวัดดูฮารซึ่งอย่างที่บอกว่าดุฮาในที่นี้หมายถึงยาม ที่มีแสงอาทิตย์ครับช่วงกลางวันนั่นแหละความหมายตรงตัวก็แปลว่ายามสายถ้าเราพูดถึงคําว่ายามสายนะครับในความหมายที่แปลว่าวัดดุฮายามสายอิสลามได้พูดถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลายามสายเวลาพูดถึงสายแล้วเราอาจจะจินตนาการผิดนะครับเราจะคิดว่ามันมันเล็ดมันช้าความจริงไม่ใช่เนาะสายในที่นี้ก็คือเลยจากช่วงเวลาซุปไหก็คือดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วก็ถือว่าเช้าตู่ก็ถือว่าเช้าอยู่ ในเวลาช้าหนิลามพูดถึงอะไรบ้างครับถ้าเราดูในโลกุรานครับพวกเราบอกว่าครับเวจานันเลสิบเซเวจานันนาฮะรามาชาพวกเราได้กล่าวในกุรานว่าพวกนั้นทําให้ยามค่ําคืนเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนนอนหลับแล้วก็ได้ทําให้ช่วงกลางวานันนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการทํางานแปลว่าช่วงเช้าเป็นช่วงที่ว่าเรานั้นเริ่มในการหาริสกีซึ่งปกติมุสลิมเราจะเริ่มในการหารสกีด้วยกับการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับการละหมาด ยกเว้นบางท่านที่ว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามอันนั้นก็คงได้เวลาตะฮัดยุดพอดีนะครับผมแต่โดยปกติแล้วก็คือมุสลิมเราที่เริ่มก็คือจะเริ่มด้วยการละหมาดฟัชเชรีแล้วก็เริ่มด้วยการงานของเราเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับมุสลิมท่านใด ก, ก็ตามไม่ได้เริ่มชีวิตด้วยการละหมาดฟัชรีทั้งๆที่ตื่นในช่วงเวลานั้นถือว่าเขาขาดทุนต่อให้เขาได้กําไรมากแค่ไหนก็ตามต่อให้เขาได้กําไรมากแค่ไหนก็ตามนั่นคือความขาดทุนของวันนั้นแล้วพูดได้เลยว่าวัันนนน้เราาขดทุ อันนี้คือประเด็นที่อยากจะเตือนไว้ล้วมาดูครับในเรื่องของยามเช้าเนี่ยในบันทึกข่ยมมาอยาหม่ำอามัดครับท่านอุมัดบินคาตอบได้พูดถึงคำพูดท่านนับดุมฮัม ม, มัดสลโลฮงอลลฮิสซาลมที่กล่าวไว้ว่าเราอันนักุมตัวแคลูนงอัลลอฮิฮักกะตัวกุลิและเรากักุมกมายรสุกุตต่ดูขุมแมันวตารูห้หบตนันน้นในรื่องข่อยหม่ำอามัดครับท่านอาบดุมฮัม ม, มัดสลโลฮงอัลลอฮิสซาลมได้บอกว่าหากพวกท่านมอบหมายตนต่ออัลลอ์อย่างแท้จริง หากพวกท่านพวกเราทุกคนนี้เป็นมุสลิมหากพวกท่านมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงทักก็แต่วักกลิมอบหมายอย่างแท้จริงแตว่วะกุลิที่ถูกต้องพวกอัลลอฮ์นั้นจะให้ริสกีแก่พวกท่านเหมือนกับที่พระองค์ให้ริสกีกับนกพอเราเปรียบเทียบเรากับนกยังไงครับที่ว่านกนั้นตอนเช้ามันก็ตื่นจากรางถูกไหมครับก็บินออกจากรัง ถามว่าการหาอาหารบนท้องฟ้ากับการหาอาหารบนพื้นแผ่นดินเนี่ยอันไหนน่าจะง่ายกว่ากันท้องฟ้านี่มีอะไรให้ดูเยอะเลยนะครับแล้วนกในโลกเนี่ยมีกี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านตัวเราไม่รู้แต่นกทุกตัวที่ตื่นตอนเช้าครับเมื่อมันบินออกไปท้องหิวแต่เกือบทุกตัวก็คือบินกลับมากลับมาที่รังก็คือท้องอิ่มหมายความว่าจากคดิษบทนี้ครับ เราได้สาระอย่างน้นอย2อย่างแล้วอย่างแรกท่านรบียร์มัสยิดสลามพูดว่ามุสลิมนั้นต้องเป็นคนที่เป็นประเภทคนตอนเช้าไม่ใช่คนตื่นสายไม่ใช่ว่าตื่นยัน11บเอมงตื่นยันเที่ยงไม่ใช่ว่าเป็นคนตื่นสายมุสลิมต้องเป็นคนตื่นเนนนชา้าเพราะคําสอนไปสลามสอนว่าหลังจากละหมาดพระชฎีปุ๊บปกติแล้วไม่มีการนอนถ้าจะมีก็อาจจะแอบงีพักผ่อนเล็กน้อยแต่ก็คือการงานก็เริ่มแต่ตอนเช้าหนึ่งแล้วสิ่งที่เราได้ประการที่สองที่ขอย้ําแล้วก็ต้องย้ําอีกนานอีกหลายครั้ง คำว่าตะวักขุนมอบหมายที่แท้จริงถ้าเราดูในฮะดิษบท น, นี้ตะวักขุนคือการไม่ทําอะไรใช่ไหมครับถ้านาบีเปรียบเทียบมุสลิมกับอะไรกับนกนกมันทําอะไรครับบินไปหาอาหารนกมันไม่ใช่นอนอยู่กับรังอย่างเดียวนะแล้วบอกว่าถ้ามันเป็นรสกีฉันเดี๋ยวมันก็มาหาฉันเองไม่ใช่เพราะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าฉันมอบหมายต่อหรอโดยที่เขาไม่คิดจะทําอะไรเลยเขาเรียกว่ายโยนให้หรอ ถ้าพวกเราเมตตาเราจะให้เขานั่นคือความเมตตาของเลาแต่เขาจะไม่ได้ความประเสริฐไม่ได้รับความดีงามในความพยายามของเขาเพราะนั้นย้าอีกครั้งหนึง่งท่านบีใช้คำว่าหากพวกท่านมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอย่างแท้จริงเพราะน้นความหมายของการมอบหมายต่อเราอย่างแท้จริงก็คือในส่วนของเราต้องทำให้ดีที่สุดก่อนแล้วถึงจะมอบหมายต่ออัลล์ ถ้าของเราไม่ได้ทำให้ดีที่สุดก่อนแล้วเรียกว่าโยนให้อลลอยละเหมือนกับเรื่องเล่าที่ผมเล่าบ่อยๆใช่ไหมครับที่ว่าพี่น้องสองคนคนพี่ขี้เกียจไม่ยอมทํางานคนน้องทํางานคนพี่ถึงเวลาก็บอกน้องบอกว่าพี่ไม่ต้องทํางานถ้าเราใกล้ให้ดิสกี้เดี๋ยวมันก็ามาเองซึ่งพวกเราใก้ให้ดิสกี้คนพี่ถูกไหมครับ พอน้องกัดมาเห็นพี่ยังนอนอยู่น้องก็เอาแอปเปิลปลาใส่หัวพี่พี่ก็บอกนี่อริสกีมาหาพี่พี่ไม่ต้องทำงานลิสกีมาจริงแต่ถามว่าได้รับความโปรดปานจากอัลลอ์ไหมไม่ไม่ใช่การม้อหมายที่แท้จริงเพราะท่านเบียมุสลลัลของอัลลิฮสลัมเป็นผู้ที่กล่าวย้ำไว้เลยว่าสิ่งที่ท่านบริโภคดีที่สุดสิ่งที่เรากินนะครับที่ดีที่สุด คือสิ่งที่ท่านหามาด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวท่านเองอิสลามไม่เคยสอนมุสลิมให้ก่อใครกินไม่เคยสอนให้ก่อภรรยาไม่เคยสอนให้ก่อใครก็คือเราทําจากน้ำพักน้ำแรงของเรานี่แหละถ้ามันเป็นหน้าที่เป็นอามานะเราทําของเราให้ดีที่สุดนี่คือคําสั่งของอิสลามแล้วไม่มีนบีคนไหนที่ไม่มีงานนาบีทุกท่านมีอาชีพหมดเพราะฉะนั้นความมอบหมายที่แท้จริงคือทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดเหมือนกับที่ว่ากับเนกูอานอิการะยาเนว่าไงครับ อิดะอัมตาฟตาร์วะกันละอัลลอฮเมื่อท่านมั่นใจจริงๆแล้วตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็จึงมอบหมายต่อรอซาต์ตั้งใจอย่างเด็ดเดียยยเดดเด่ยวคือพยายามทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดก่อนงั้นอันนี้อันแรกนะครับที่เรารู้เกี่ยวกับประเด็นของช่วงยามเช้านะครับในช่วงยามเช้าก็คือเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมจะเริ่มชีวิตของเรา เริ่มการเรียนเรื่มการงานเริ่มงอะไรก็ตามแต่อันที่สองครับเป็นเวลาที่ดีที่สุดจุดเริ่มต้นของการบริจาคบริจาคคืออะไรครับบริจาคคือการงานที่ลบความโกรธกิ่วของอัลลอฮ์การบริจาคคือการที่ให้อภัยทำให้อัลลอ์นั้นให้อภัยโทษต่อเราได้มากที่สุดในฐานะที่เราเป็นคนบาปถ้าเราเริ่มวันโดยการทำสิ่งที่อัลลอฮ์ยกโทษให้กับเราเป็นสิ่งที่ดีไหมครับดี ได้ละหมาดนี่ก็เริ่มต้นไม่ขาดทุนแล้วนะหลังจากนั้นก็ได้ทํากัรบริจาคทานอีกบางคนบอกเริ่มต้นเช้ามาก็บริจาคจะทํำยังไงล่ะคนจนยังไม่ตื่นมั้งหรือฉันจะไปช่วยใครอะไรการบริจาคในที่นี้ทําได้ทุกคนโดยไม่ต้องใช้ตังค์แม้แต่บาทเดียวเริ่มต้นชีวิตในตอนเช้าด้วยการบริจาคโดยไม่ต้องเสียตังค์สักบาททําได้ทุกคน นี่คือคำสอนของอิสลามท่านอับดุลเบียร์มัสตะลองอิสลามได้กล่าวว่าไงครับยุสบิฮูอัยลาคุลิซูละมานอฮัดิกุมซาดาร์ในทุกยามเช้าเนี่ยอวัยวะทุกส่วนของพวกท่านสามารถใช้ในการบริจาคทานได้หมดเลยท่านอบดบียร์บอกไงนะอวัยวะทั้งหมดของเรานะครับเมื่อถึงเวลาตอนเช้ามาเนะ่ยเราใช้บริจาคได้หมดเลยนบีไม่ได้บอกให้เราไปตัดมือบริจาคควักลูกตาไปบริจาคไม่ใช่ แต่ใช้ให้ได้ผลบุญในการบริจาคได้ท่านบีพูดไว่ายังไงต่อครับท่านเบียดจำเก่าไหมครับฟักก้ลูทัสบีฮใตินสวัสดะก็ยังไม่ต้องพูดถึงโอเวาภายนอกนะเอาง่ายที่สุดลิ้นกระดกลิ้นนี่เสียพลังงานกี่เท่าไรครับกี่แคนออกกําลังกายลิ้นมีใครไหมครับวันนี้จออ ก, กําลังกายลิ้นให้กล้ามขึ้น มันใช้พลังงานน้อยมากเลยแต่ท่านอบดเบีว่าเสมอไงครับทุกๆ ก, การกล่าวซุบฮานอัลลอฮ์มันคือการบริจาคสุบฮานาลลัลลอฮ์เราลุกมาละหมาดในตอนเช้าปกติละหมาดเสร็จแล้วก็อยู่ในที่ของเราใช่ไหมครับระลึกถึงอัลลอฮ์ละหมาดเสร็จปกติก็เริ่มเรียกับอัสซักฟุลลอฮ์อะไรเ น, นี้ยก็สุบฮานอัลลอฮ์ท่านอบีบอกว่าทุกๆคําพูดว่าสุบฮานัลลอฮ์นั่นได้ผลบุญการบริจาคเรียบร้อยแล้วอยู่กับบ้านนี่แหละไม่ต้องเจอผู้คนเลยยังไม่ต้องเจอใครเลย แค่ลูกประมาณมาตอนเช้าแล้วก็กล่าวสุบฮานะวะมันคือผลบุญของการบริจาคแล้วพวกเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดพวกเราสามารถบริจาคได้ทุกวันดีไหมครับผลบุญการบริจาคมหาศาลพวกเรารู้ดีเริ่มต้นชีวิตในแต่ละวันด้วยการบริจาคง่ายๆทารุาบีบอกไงนะครับในทุกๆ ก, การกล่าวสุบฮานะวะนั่นคือการบริจาคทุกๆ ก, การกล่าวอัลฮัมดูลิละนั่นก็คือการบริจาค แล้วทุกการกล่าวลาอิลาห์อิลล allah ก็คือการบริจาคกุลุตักเบียร์ตินซสละก็ทุกการกล่าวอัลลอฮุอักบัตมันก็คือการบริจาคนั้นแค่ละหมาดนะครับมีครบไหมพวกเนี่ยครบเลยละหมาดเรื่องนกับตักบียอัลลอฮุอัลบาตในรุกอิยาบทมีสุบานอัลละมิสุบานรบิลาอิลลาห์หรือสบานรับิลอูซมมียหมดเลยลอัลลก็มีการกล่าวซาดะก็มีการนั่งตะชาฮุด ในละหมาดบริจาคครบเลยแล้วท่านบีุลา์สนบอกไงครับหลังจากเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วท่านบีก็บอกว่าวะอัมรุนบินมะรูฟสอดะกะถ้าอยู่ในครอบครัวเจอผู้คนอะไรก็ได้แล้วไปส่งเสริมให้เขาทำสิ่งดีๆผูกคนในครอบครัวเอาได้เวลาละหมาดแล้วลุกมาละหมาดท่านบีบอกว่านั่นคือสอดะกะนั่นได้ผลบุญเทียบเท่ากันบริจาค หรือว่าไปเจอใครเห็นเขาลืมทำอะไรที่วัดีๆเขาไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์เขาไม่ได้อ่านอัลกุรอานเขาหลงลืมอะไรสักอย่างหรือเขากาลังจะทาสิ่งที่ฮารอมเราไปตักเตือนเขาท่านอบีบอกว่าไงครับจะเป็นการสั่งใช้ให้ทำความดีมันก็คือการบริจาคจะเป็นการเตือนกันปามกันห้ามกันไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็ได้ผลบุญบริจาค วَาจะเจือจากนั้นค่ะรักษาต่างนี้ยรักเก้าหุ่มมาจากดแล้วท่านอัุลโมมัองลองอเลสลัมบอกไงครับแล้วก็จะได้เทียบเท่าจากทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดที่ว่ามาผลบุญทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับทั้งตัศเสียทั้งหมดทั้งตาลีนทั้งหมดทั้งตาิดทั้งหมดทั้งตาบีทั้งหมดทั้งการสังใจให้ทำความดีทั้งการห้ามปามจากการทำความชั่วทั้งหมดที่ว่ามาถ้าอยากได้ทีเดียวเลยนะ ท่านอับดุลเลาะห์สั่งว่าให้ละหมาตดูฮะสองร aka จบได้ทั้งหมดที่ว่ามาเลยงั้นหมายความว่าสุดยอดพระบุญของการสรกะก็ได้ง่ายๆตื่นมาตอนเช้าละหมาดเฟชเชรี่หลังจากนั้นก็ให้ได้ละหมาตดูฮาประเด็นของเรื่องการละหมาตดูฮาเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันรายละเอียดเผื่อว่าบางท่านอยากรู้ว่าตรงรายละเอียดละหมาดดูฮะคืออะไรบางท่านเคยดินว่ามันต่างยังไกะะกาา ง, งไกับละหมาดอิชรอมหรือว่ามันต่างยไงแบบละหมาดอวาวบิน น่าจะเคยได้ยินกันทั้งหมดมันละหมาดเดียวกันหรือว่าคนละละหมาดเดี๋ยวเราคงจะได้พูดกันอินชาลอตตอนนี้นะครับผมทีนี้ครับเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอาไว้ว่ทุกส่วนของมนุษย์เราเนี่ยสามารถใช้ให้ได้ผลบุญสลอกรได้ในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือแม้แต่ในเรื่องของการละหมาดมันก็คือการงานที่ได้ผลบุญเที่าเท่า ก, ารรากันสรอกรงั้นทีนี้ครับถ้าเกิดเรามาพูดถึงเรื่องของการละหมาดดูฮา ถ้าท่านใดที่ว่าทำมาได้เป็นประจํามาช้าเนาะเขาทําได้เหมือนกับที่ท่านอบูไรร์ทำเพราะท่านอบูรไรร์เดมฤกษ์แกรมบุคคลดีเขาบอกว่าไงครับท่านอบูฮุไรร์เรียกเราอันหูได้บอกว่าเอาซอนีคอลี้ดีสหายผู้เป็นที่รักของฉันเนี่ยได้สั่งเสียแก่ฉันสั่งเสียเลยเพราะว่าพูดถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดใครคือสหายที่รักของท่านอบูไรร์ครับท่านนบีมูฮัมมัด ส, สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านอูฮเรรอครับได้บอกว่าสหายที่เป็นที่รักยิ่งของฉันเนี่ยได้สั่งเสียฉันอยู่สามอย่างและฉันจะไม่มีวันทิ้งมันจนกว่าฉันจะตายฉันจะไม่มีวันทิ้งมันจนวันตายเพราะท่านถือว่าเป็นคำสั่งเสียจากบุคคลที่ท่านรักมากที่สุดสั่งเสียกับท่านโดยตรงให้ทำสามอย่างท่านจะทํามันจนถึงวันที่ท่านตายนี่คือท่านพูดตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่บริวารอัลลอฮฺอ มีอะไรบ้างครับ3อย่างนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือการถือสวดเดือนและสาวัน13 14ามหที่พวกเราทราบกันถือสวดเดือนและสาวันนี้คือเดือนอาลับเนาะเดือนอาลับอันที่2ครับการละหมาดดูฮา่าแล้วก็อันที่3การละหมาดวิเตอร์ก่อนนอน3อย่างนี้ท่านบอบูฮุยล่าบอกว่าท่านอับดุ ล, ลสลารองอเลสลามได้สั่งเสียท่านมากเลย บอกให้ท่านทําแล้วท่านก็บอกท่านจะทำมันจนกว่าชีวิตท่านจะหาหม่มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือถือสลดสา3วันใน1เดือนอใครพยายามทำเขาพยายามทำํำท้ า, ย า, ยามีทําได้แล้วก็อันที่สองก็คือละหมดาดยู่าอันที่3ก็คือการละหมาดวิเตสก่อนนอนการละหมาดวิเตสก่อนนอนการทําทความดีเนี่ยมันยากตรงไหนครับพี่น้องยากตรงทําหรือเปล่าไม่ใช่นะความดีไม่ได้ยากตรงทํา ยากตรงรักษามันคือทําครั้งสองครั้งนะ่ยไม่ยากหรอกจะให้ลุกมาละหมาดทหารยุทธจะให้ละหมาดดูฮาจะให้มีละหมาดปริเตสก่อนนอนจะให้ถือสวดเดือนละสามวันถ้านานๆทีทำมันมันไม่ยากแต่การทําอย่างต่อเนื่องนะ่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมันแสดงถึงคุณภาพที่มาจากใจจริงๆคือเวลาพูดสัทธาทั้งหลายถ้าเราสังเกตดูบรรดานับีบราาาบรดารอซูลบรรดาซาฮับ ต่อให้พวกเราเราให้ท่านมีอายุยืนยาวแค่ไหนพวกเราคิดว่าท่านจะละทิ้งสิ่งที่ท่านทำไหมครับไม่มีทานคือท่านจะอายุเท่าไหร่ท่านก็รักษามันได้ไปเรื่อยๆนี่คือเครื่องหมายรับประกันความดีและความผู้ควรต่อความเมตตาตลอดการจากอัลลอฮฺเพราะนั้นใครก็ตามที่สามารถรักษาความดีงามอะไรแล้วก็สามารถทํามันอย่างต่อเนื่องได้นั่นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่รับประกันความเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺจะรักเขา น, นบีมัสเซอร์สตาบอกเลยครับการงานที่อ er ลอรักมากที่สุดมาด้มาวอินกอล่าที่สุดและที่อลอรักอะไรก็ตามที่ทําอย่างต่อเนื่องถึงแม้มันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามขอให้ต่อเนื่องขอให้พยายามทําอย่างต่อเนื่องถึงแม้มันจะเล็กน้อยแค่ไหนถึงคนจะรังเกียจแค่ไหนแต่ขอให้เราตั้งเป้าไว้สักอย่างขอให้เราครับในหัวใจแล้วตั้งเป้าตั้งเป้าไว้สักอย่างแล้วว่าในชีวิตของฉันเนี่ยอย่างน้อยฉันขอมีสักอย่าง ที่ฉันจะทามันแล้วฉันจะไม่ทิ้งมันฉันจะต้องทำมันให้ได้ตลอดชีวิตเพื่อหวังความเมตตาของเราเพราะว่าพวกเราทุกคนไม่มีใครอยากจะเห็นเราที่ได้พัฒนาถึงขีดสุดแล้วคือเราไม่ต้องดูเขาดีนาะคนดีๆมีมากมายนาบีสฮาบะคนดีๆมีมากมายแต่เราตัดถ้าเหล่านั้นไปก่อน เรามารู้ถึงแค่ตัวเราเราคิดว่าตัวเราในปัจจุบันเนี่ยดีที่สุดเท่าที่จะไปแล้วหรือเปล่าเราถึงขั้นสุดของเราหรือยังครับคุณอาว่าถึงเรื่องยังนะคุณอาว่าถึงเรื่องครับอินชัยเล่าถึงแล้วเลยยังครับไม่มีอ่ะครับอ ย, อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมครับมุสลิมเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเรายังไปต่อได้อีกแต่มันจะน่าเสียใจแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรา เราสต็อปเวลาของเราอะเราสตาร์ตัวเราเองเ่ยแทนที่เราจะไปได้อีก10ขั้นแต่เราหยุดแค่ตรงนี้จนถึงวันที่ความตายมาเยือนเราแล้วคิดว่าเราจะหันกลับมาเราจะเสียดายแค่ไหนว่าจริงๆด้านนี้ฉันก็พัฒนาได้นี่อันนั้นฉันก็ทําได้นี่จริงๆตรงนี้ฉันละหมาดให้ดีกว่านี้ได้อีกฉันนับถืออลัลลอฮ์ได้มากกวนน่านี้ฉันอ่าน q u r า n ได้มากกวนน่านี้ฉันทำมาได้มากกว่านี้ทําไมฉันไม่ได้ทําเพราะอย่างที่ผลพูดเป็นประจำก็คือคนทุกคนเสียดายหมด เมื่อใกล้คิดความตายมาถึงขณะเชค็คคริสลามอิมุตัยมีอะไรมาบอกว่าก่อนเสียชีวิตท่านยังเสียดายเลยเช็คคริสลามความดีงามของท่านหนังสือตำรับตำราความรู้ที่ท่านสอนมหาศาลท่านเสียดายเรื่องอะไรครับท่านเสียดายที่ว่าท่านมีเวลาให้กับอัลกุรอานน้อยเกินไปถ้าท่านมีเวลาให้กุรอานน้อยแล้วใครจะมีเวลาให้กับกุรอานเยอะผมคิดไม่ออก แต่ท่านบอกว่าท่านเสียดายที่ท่านมีเวลาให้กับอัลกุรอานน้อยเกินไปท่านอยากจะมีเวลาให้กับกุรอานมากกว่านี้เพราะนี่คือคําพูดของลอสที่ว่าสําหรับมุสลิมเราแค่เราได้อ่านแค่เราได้คุกนทีมันก็เป็นการเยียวยาจิตใจเราทําให้จิตใจของเรานั้นสงบขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเรานั้น พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นชาวเรานะครับตั้งเป้าเนาะหาอะไรก็ตามที่เรารักที่เราสามารถทํามันรักษามันเป็นประจำแล้วให้รอรักเราบางทีสิ่งนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ในโลกหน้าพวกเราอาลัมเหมือนกับท่านบีล้านที่ว่าท่านก็มีุขถูกไหมครับท่านบีล้านทําอะไรเป็นประจํานะครับรักษานังละหมัดเรื่องง่ายๆเลยคือมองง่ายๆคือเสียปุ๊บท่านดีไปทําเลยรู้สึกตัวปุ๊บเสียนั่งละหมัดท่านดีไปทํานั่งละมัดและถ้ามีโอกาสท่านจะต้องละหมัดสุ น, นัตสองรากาด้วย ทำน้นะมัตแล้วก็ละมัดสุนัตสองร้อยแกะท่านรักษาเป็นประจำจนถึงขั้นว่าตอนช่วงละมัตเฟอร์เจอรี่ปกติพอท่านรบียร์ัสยิดามตื่นมาท่านรบีก็จะถามซอ่เบ้าว่ามีใครฝันอะไรบ้างแต่ครั้งนี้ท่านถามท่านบีลลันบอกว่ า, วาบีลลันคุณมีอะไรไหมที่คุณทําเป็นประจำอะไรก็ได้เล็กน้อยแค่ไหนก็ได้เพราะทุกอย่างที่ท่านบีลลันทําซอ่เบ้าทุกท่านก็ทําท่านบิลานละมัดเฟอร์ ด, ดูเป็นเชมาซอ่เบ้าก็ละมัดเฟอร์ ด, ดูเป็นเชมา ท่านบีลานอ่านกุรานซาร์่าอ่านคุรานท่านอับดุลเบี๋ยมทราบรู้ว่าท่านบีลานเนะี่ยมีการงานที่ทําพิเศษอยู่แต่ท่านต้องการให้ท่านบีลานพูดออกมาเองเพื่อเป็นการสอนซาร์บาเพื่อเป็นการสอนพวกเราทุกคนท่านบีลานก็บอกให้ครับยาราลละซุนละผมคิดไม่ออกเลยว่าผมมีการงานยิ่งใหญ่อะไรเพราะท่านอบีบอกว่าเมื่อคือนฉันฝันว่าฉันได้ยินเสียงรอยเท้าของคุณที่คุณเดินอะ่ะเสียงย่างก้าวของคุณในสวรรค์ อัลลอฮ์ให้ฉันได้ยินเสียงการเดินของคุณในสวรรค์คุณทําการงานอะไรเป็นพิเศษไหมท่านบีรานบอกผมคิดไม่ออกยาซื้อมะผมทําทุกอย่างเหมือนกับที่ซอบา้าทุกท่านทํานั่นแหละท่านบิรานก็คิดคิดคิ ด, คดแล้วท่านก็บอกว่าถ้าพอจะมีอะไรที่ผมทําเป็นประจําก็คือน้ําละหมาดนี่แหละที่ผมรักษาเป็นประจําเสียมอะไรผมจะรีบทําเสียมอะไรกรีบทำํำเป็นเรื่องวุ่นวายไหมครับทำน้ำละหมาดจริงๆไม่วุ่นวายเนาะ รักษาตัวนั้ให้อยู่กับน้ำลหมาดแต่บางทีเวลาหลอกจะมาจากห้องน้ําก็ขี้เกียจถูกไหมครับออกมาจากน้ําแล้วจะรีบทําไปไหนเออเดี๋ยวก็ฟ้ เ, ออเดี๋ยวก็ได้เวลาละหมาดเดี๋ยวให้ทําทีเดียวทักกันทําตอนนี้เดี๋ยวเสียน้ำละหมาดอีกยิ่งถ้าเกิดบางครั้งไม่รู้ว่าใครเคยหรือเปล่านะครับกําลังอาบน้ําอย่างเงี้ยพอทําน้ํำละหมาดเนี่ยเสียทันทีเลยเสียปุ๊บจะทําใหม่ดีไหมมันวัดใจนะ บางทีทําใหม่แล้วเสียต่ออะครับแล้ทดสอบอะแล้วก็มันตั้งคิดว่าจะทํำไหมจะทําดีไหมทั้ทงๆ ท, ที่ว่ามันเป็นพิติกรรมที่ไม่ได้มากมายเลยเลยสำหรับในสายตาของเราเพราะฉะนั้นอย่างทำน้นมัสารเนี่ยเราอาจจะทําไม่ได้ถึงขั้นว่าละมาสสุนัตทุกครั้งหลังคำน้นมัสารแต่อย่างไรที่สุดก็รักษาความสะอาดอินทรลอยฮิบุตาวาบีนวายุทิพุนมุจโตฮีรินสองกลุ่มเชิญที่รักรักมากที่สุดผู้ที่รักความสะอาด แล้วผู้ที่ชอบกับเนื้อกับตัวแน่นอนพวกล้อนนั้นรักผู้ที่รักความสะอาดแล้วก็รักผู้ที่กับเนื้อกับตัวผู้กับเนื้อกับตัวเนี่ยสถานะสูงสุดอยู่แล้ว <mac an> เรารู้อยู่แล้วแต่พวกล้อเอาคนที่ไปอยู่คู่กับสถานะสูงสุดคือบุคคลที่รักความสะอาดเพราะฉะนั้นมุสซิมเรารักความสะอาดครับในบ้านของเราในที่ทํางานของเราในร้านโดนร้านอะไรก็ตามที่เรามีร้านร้านอาหารอะไรก็ตามแต่ทําอาหารกินเน้นความสะอาดเสื้อผ้าที่ใส่คําพูดที่มี ดวงใจที่มีหัวใจที่มีเน้นในเรื่องของความสะอาดนั่นคือสิ่งที่ทาให้ลารักเราแล้วครับทีนี้เรากลับมาดูในเรื่องของเวลาการละหมาดดูฮาระหมาดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไร่ในเรื่องของการละหมาดดูฮาร์าเนี่ยครับผมละหมาดได้ตั้งแต่ตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาประมาณด้ามหงายงไงยก็คือถ้าเราเห็นเริ่มมีแสงดวงอาทิตย์เราเริ่มเห็นดวงอาทิตย์ตรงขอบฟ้าขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยก็คือเริ่มละหมาดดูฮาได้แล้ว ไปจนถึงก่อนละหมาดยูรีแน่นอนที่สุดครับมีเวลาต้องห้ามอยู่เนาะก็คือช่วงที่ดวงที่อยู่กลางหัวนั่นก็คือห้ามละหมาดนั่นคือละหมาดดูฮาไม่ได้แต่ก่อนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเล็กน้อยน่ยได้ชันถละหมาดเวลายูรีนี่คือช่วงเวลาของการละหมาดดุฮาซึ่งเป็นมติเห็นพ้องของนักวิชาการทั้งสี่มัสยิดเลยทั้งฮานาฟีทั้งมาริกีทั้งอัมบารีแล้วก็ทั้งชาฟีเห็นพ้องต้องกันว่านี่คือเวลาละหมาดดูฮาที่ทําได้ ซึ่งจานวนรักา ก, ก็ทำได้ตั้งแต่สองรักากถึงแปดรักากถ้าใครว่าสองก็สองก็แล้วแต่เอาที่ทำได้ขอให้ได้ทำประเด็นสำคัญคือขอให้ได้ทำเราชอเ ย, ยี่ยมครับเย็ยนไว <laughs> ถนน้ถึงแน่เห็นชาวแล้วครับถึงแน่ถึงแน่ทีนี้ครับเวลาที่ดีที่สุดในการละหมาดดูแพาคือเวลาไหน มาชาลูกอูดเห่างครับอนลูกอูดมาเริ่ม้อนลูกคนมาได้่ครับ <c oughs> เอาตั้งลูกอูดนะะดินมีเจ้าว่าลูกอูดครับท่ <c oughs> านนบีมุสลิมเรียกว่าอาลัลสลดูฮะสลตุลอวาบินฮะดิสบทแรกก่อนสลดูฮละหามัดดูฮาก็คือละมหมัดอวาบินหะดีสบทนี้ทาให้เรารู้ว่าละหมัดดูฮาเนี่ยมีชื่อเรียกหลายชื่อเพียงแต่ว่า เพื่อให้ง่ายเขานักวิชาการก็เลยแยกชื่อเพื่อให้เป็นที่รู้ว่าสื่อถึงอะไรเพราะหะดิษที่พูดถึงความประเสรนะิฐเนี่ยมันมีอยู่สองช่วงการละหมาดดุฮานะครับฮะดิษที่พูดถึงความประเสริฐมีอยู่สองช่วงแต่โดยรวมแล้วจะละหมาดตอนไหนก็ตามถ้าตั้งแต่ได้เวลาแล้วตั้งแต่หลังดวงอาทิตย์ขึ้นสักหน่อยไปจะถึงก่อนเวลาดูดีเนี่ยทั้งหมดเราเรียกรวมกันว่าละหมาดดูฮ่าละหมาดดูฮาแต่ถ้าเวลาที่ประเสริฐที่สุด นักวิชาการเอามาจากขดิษฐานะบีที่ว่าสุลาตุลอาวาบินฮีนัตัลมาดูอัลฟิซอลก็คือฮดิษีอาจารย์บอกนั่นแหละเวลาละหมาตอาวาบินที่ดีที่สุดนั้นคือช่วงที่อูดเนี่ยเริ่มหลบร้อนลูกอูดเขามาครับลูกอูดเนี่ยเริ่มหนีร้อนคือลูกอูดนะครับเป็นสัตว์ที่ว่าปกติพอเช้ามาปุ๊บก็จะห่อนไปทั่วก็จะเดินเล่นไปทั่วแต่ด้วยความที่ว่าเป็นลูกอูดอยู่ เท้าเนี่ยยังไม่แข็งถึงเวลาพอแดดเริ่มร้อนเนี่ยทรายมันจะร้อนดินมันจะร้อนเพราะพื้นที่ทะเลทรายถ้าไม่ใช่ทรายก็เป็นหินพอโดนความร้อนระยะเวลานึงเนี่ยมันก็จะอมความร้อนเท้าของลูกอูดก็จะเหยียบไม่ได้พอมันร้อนปุ๊บมันก็จะหนีร้อนท่านอบี๊ย์วัตยสัมบอกช่วงเวลาละหมาดอาวาบีนที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เริ่มช่วงร้อนนี่แหละก็คือถ้าเกิดเราแบ่ง ถ้าแบ่งเป็นเวลาถ้าเกิดศัพท์ที่นักวิชาการใช้ส่วนใหญ่จะใช้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณสอง2อสองหดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือถ้าเกิดเราเทียบระยะก็คือดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นมาสูงกว่าระดับไหลแล้วแล้วดวงอาทิตย์สูงมาจากระดับไหลก็คือถ้าเริ่มร้อนนะครับถ้าเริ่มร้อนถ้าเริ่มร้อนแล้วนั่นก็แปลว่าเป็นช่วงที่ละหมาดดีที่สุดละหมาดในเวลานั้นเขาก็เลยเรียกว่าเป็นละหมาดอาวาวิน เรียกเป็นละหมาดอาวาบินเพราะใช้ตามับที่ท่านอาบีใช้ซึ่หลังละหมาดมักลิมก็ใช้อวบินสาราตุลาอวบินในช่วงเวลาอื่นว่าเราอา่านลำครับถ้าจากในื้ดิสที่ผมเจอก็คือใช้เรียกในเรื่องของดูหาถามว่าใช้เรียกเวลาเวลาอื่นได้ไหมอาวาบีนแปลว่าอะไรครับละหมาดของผู้ที่กลับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ในศัพท์ความหมายนี้จะใช้กับอะไรมันก็ไม่แปลกจะใช้กับอะไรก็แปลกคือถ้กิดเราอยากเตบาบะบางทีแล้วก็อยากกับเนื้อกับตัวแต่ละ เลียวเป็นออยบินก็ได้แต่ถ้าเกิดสัพท์ที่พูดรวมกับดูฮ่าอันนี้คืออวาบินก็คือช่วงเวลาที่กําลังร้อนกําลังร้อนก่อนที่จะไปพูดถึงช่วงเวลาที่ประเสริฐอีกช่วงหนึ่งขอมาทบทวนหน่อยครับว่าเวลาไหนบ้างที่ว่าห้ามละหมาดแล้วก็ห้ามฝังมายัดเวลาไหนบ้างครับ อ, อ, อเกี่ยวกับดวงอาทิตย์หมดเลยใช่ไหมครับช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่กลางหัวแล้วก็ โดยที่กำลังตกก็คือหลังละหมัดอัสลีก่อนเข้าเวลาละหมัดมัคิริบนี่คือสามช่วงเวลาที่ต้องห้ามครับอาจารย์เห็นว่าจะไปเราเปิดงารอร์มินัว่ออะล่มครับเพราะท่านวิษณุพูดในที่สืบว่าเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ระหว่างเขาของชัยตอนอยู่ระหว่างเขาของเชยตอนก็ว่าเป็นช่วงเวลาที่ว่าพวกบูชาไฟจะทําการบูชาพระเจ้าของเขาก็คือบูชาชัยตอนของพวกเขาครับ พวกล้อตาลอะล่ะครับงั้นทีนี้ละหมาดดูฮาร์เรารู้ชื่อแล้วเนาะละหมาดดูฮาใช้เรียกรวมๆแต่ถ้าเกิดตอนที่ร้อนๆเรียกทับศัพท์เฉพาะว่าอาวาบินจะเป็นที่รู้กันว่าอาวันนี้เรามาละหมาดอาวาบินกันนะก็แปลว่าละหมาด ต, ตอนช่วงนั้นร้อนก็เป็นที่รู้กันซึ่งท่านอภิญญาสธรรมวัฒน์เป็นละหมาดที่ประเสริฐที่สุดในเรื่องของเวลาถ้าพูดเรื่องเวลาละหมาดอาวาบินประเสริฐที่สุด แต่ถ้าพูดถึงเรื่องรูปแบบมีละหมาดที่ประเสริฐกว่าละหมาดอวบีนนั่นก็คือละหมาดอิชรอคอิชรอคแปลว่าอะไรครับตอนที่ดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นในฮะดีสครับของบันทึกนะครับโดยอิหม่ามทิรมีดีซึ่งเช็คอัลบานีบอกว่าเป็นฮะดีษที่ฮัสซันก็คือเบฮดีี่เชื่อถือได้ ไม่ถึงขั้นสังเกตแต่ก็คือเชื่อถือได้ท่านอบีมัสลลอห์สลามได้พูดไว้ครับว่าใครก็ตามที่เขาได้ละหมาดตอนเช้ากับกลุ่มกับชมาอะก็คือผู้ชายละหมาดที่มสัสยิดกับฉามะหรือในสถานที่ที่ละหมาตฉามะครับใครก็ตามที่ละหมาตตอนเช้าเป็นชมามะก็คือหมาตฟาชารีหลังจากนั้นเขาได้นั่งลำลึกถึงอัลลอฮ์ยังไงก็ได้อ่านกุรานอ่านวิกรุณ ล, ละ ยังไงก็ได้ในเรื่องของการเรียนการสอนเป็นการเรียนการสอนเลยแล้วก็ตามจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นหรือาทิตขึ้นก็คือใช้คําว่าตะล่าหรือว่า อ, อ, อัชรอกรเนี่ยนะครับที่แปลว่าขึ้นเนี่ยละหมาดอิชรอกเนี่ยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาได้ละหมาดสองละก็ก็คือละหมาดดูฮาถูกไหมครับแต่เป็นละหมาดดูฮาที่เกิดจากอะไรละหมาดฟัดูเสร็จแล้วเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับดุนยานเลย เรานั่งรันบุ๊กเถื่อ Allah, รอจนเข้าช่วงเวลาดูฮะหรือเวลาอิชลอ็อกนี่แหละก็คือปกติจะหลังเริ่ละหมาดฟรชอรี่อาจจะประมาณ45นาทีบวกลบแล้วแต่แล้วแต่ช่วงเวลาท่านอิบิวัติซาันบอกไงครับเขาจะได้ผลละบุญเทียบเท่าการทําฮัจและอุ่มระาะห์อย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์อ้าพี่น้องอิสลามเมตตาแค่ไหนล่ะคนที่ชอบทําฮัจทําอุ่มร้อบ่อยๆ บางคนอยากไปทําบ่อยๆไม่มีเงินท่านอับดุลเลาะห์สว่าอยากทำอยากได้ผลบุญเท่าอุ้มร้อไหมนี่ไงอิสลามมีให้ไม่ใช่แค่อุ้มร้อนะฮัตอีกต่างหากผลบุญเทียบเท่าการทำฮัตกับการทําอุ้มร้อเพียงแต่ว่าวายิปของฮัตกับอุ้มร้อยังไม่ตกนะผลบุญเท่ากันเฉยๆผลบุญเท่ากันแต่ยังไม่ได้ความประเสริฐเหมือนการทำฮัตเพราะความประเสริฐของการทำฮัตมีมากกว่านั้นคืออะไรครับ ใครที่ทำฮัตแล้วล้อรับการงานทุกอย่างเป็นศูนย์เอาล้อล้างกระดานให้ถูกไหมครับได้รับาการล้างกระดานเพราะฉะนั้นการทำฮัต ด, ด้วยตัวของการทําฮัตเองก็มีสิ่งที่ประเสริฐในตัวเขามันเองแต่ถ้าพูดถึงแค่ผลบุญของฮัตถ้าใครอยากได้เพียงผลบุญของฮัตผลบุญของอุ้มร์ท่านอาบับดุลิวสลามบอกว่าทางออกที่ง่ายที่สุดสําหรับพวกคุณนะพวกคุณไม่ต้องทําอะไรมากอยู่กับบ้านของพวกคุณไม่ต้องไปเบียดเสียด ไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปทรมานอยู่กับบ้านขอให้ละหมาดฟรัชดี้ที่มัสยิดให้ได้สําหรับผู้ชายมาละหมาดฟรัชดี้ที่มัสยิดเป็นชะมาะหลังจากนั้นคุณยังไม่ต้องยุ่งกับดุลยาลำนึกเถอ Allah, ะละซะอ่านกุรานซะทําสิ่งที่ดีซะเข้าวเวลาดูฮาปุ๊บลุกมาละหมาดสองะละก้าผลบุญคุณได้แล้วไปพูดกับเพื่อนที่เพิ่งกลับมาจากมุมรอบได้เลยอ่านในทํามุมราอบมาใช้ไม่กี่ครั้งครั้งหนึ่งเลยฉันทำละสามครั้งละสามวันโะเกครับ อันนี้คือไม่ใช่โอวอดนะแต่หมายถึงว่าผู้ศรัทธาบางครั้งเราก็อยากแข่งขันกันในการทําความดีซึ่งพัวเราก็กล่าวชมเชยผู้ที่ว่าจะทําความดีแล้วแข่งกันการแข่งกับการอวดโอ้อวดไม่เหมือนกันเนาะมันใกล้กันมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ถ้าแข่งไม่ดีจะกลายเป็นอวดถ้าแข่งไม่ดีจะกลายเป็นอวดมันมีเส้นบางๆอยู่แต่ที่แน่ก็คือให้แข่งขันการทําความดีแล้วใครที่ทําอะไรแรกๆเป็นคนแรกๆ ใครก็ตามทําสิ่งดีๆเป็นคนแรกๆอัลลอฮ์ Allah, รักเขามากกว่าคนที่ทําทีหลังในกุรอานมีตัวบทมากมายที่วะล่ะกล่าวรับรองไว้ใครที่นี่เริ่มทําสิ่งที่ดีงามก่อนเป็นคนแรกพวกเราจะรักเขามากกว่าคนที่พ่งมาทําทีหลังในเรื่องของละหมาดดูฮ่าอิชรอคอวาบีและเคลียนนะครับจริงๆก็ละหมาดเดียวกันนี่แหละก็คือละหมาดดูฮ่าเหมือนกันนี่แหละสองถึงแปดละกันประมาณนั้นแต่ก็คือแค่ว่าถ้าอยากได้ผลบุญในช่วงของเวลา ก็มาช่วงร้อนๆแต่ถ้าเกิดเรื่องของรูปแบบก็คือมาละหมาดชมะอะมันมีรูปแบบมีกระบวนการแล้วก็ยู่ลึกถึงล้อใกด้ผลบุญที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความดีงามโคนละด้านโคนละด้านแปลว่าถ้าอยากรวมกันทำํำยังไงครับก็ละหมาดเป็นชน ะ, ะลำลึกถึงล้อแล้วก็รอให้ถึงช่วงเวลาที่ลูกอูดหนีร้อนเลยได้หมดเลยทั้งความประเสริฐของดูฮาได้อิสล็อกได้อวาบินได้คมหมดทุกอย่างเลย แต่ยากหน่อยนะมันต้องแบบต้องต้องต้องเคลียร์เวลาตัวเองให้ละมาส2ครั้งแล้วมาสองครั้งมันมนกน็มีปัญหาไงครับเอาละมาสองครั้งเลยก็ดีนะการำเวลานะนเนี่ยมาเช้าแล้วห้าอนละมาแล้วเสงลสายสายก้ามฝ่ายซีโมาเ็ไม่มีวินาครับได้ทั้งคู่เลยแบบที่ยาย า, ยาบอกครับคือถ้าเกิดเราไม่สามารถนั่งยาวได้ขนาดนั้นก็คือพอถึงเวลาอิชล็อกปุ๊บก็ละมาเอาอิชล็อกก่อน เก็บเก็บแต้มไปก่อนสองแต้มอ่ะอิชล็อกแปลว่าดวงอาทิตย์ขึ้นครับดวงมันแปลว่าถ้าแปลต้องตัวมันแปลว่าวการขึ้นนะครับการขึ้นครับแต่ก็เป็นที่วู้ว่าช่วงดวงอาทิตย์ขึ้นเขาละหมาัดมาได้อยู่แล้วก็แปลว่าวต้องเลยตอนที่กําลังขึ้นครับู่อไม่ยิงได้แดดก่ครับรมมามาาตอ อะดีษนี่ในกรณีของผู้ชายการละหมาจมะเป็นวายิบสําหรับผู้ชายในกรณีของผู้หญิงดีที่สุดคือในบ้านของนางแปลว่าสำหรับมุสลิมอะถ้าเกิดใครได้ผลบุญเหมือนกับผู้ชายง่ายกว่าผู้ชายของผู้ชายนี่คือขุนต้องตื่นมาตอนเช้าต้องแหกแหกที่ตาเพื่อที่จะไปมัสยิด เพื่อจะได้ผลบุญอิชลอ็อกนี้แต่ในกรณีของผู้หญิงท่านอบีกําหนดไว้แล้วว่าละหมาดที่ดีที่สุดคือละหมาดที่บ้านของนางผู้หญิงก็ลุกมาละหมาดที่บ้านของนางละหมาดเสร็จอยู่ในที่ที่นางอยู่นั่นแหละอาาะ่านรำลึกถือแล้วิกรุ่นแล้วอ่านกุราอานอ่านอะไรไปเข้าเวลาดูฮาปุ๊บอย่าเพิ่งไปเมามอยกับใครอย่าเพิ่งไปเอาไลน์มาดูอย่าเพิ่งไปนินทาสามีอย่าเพิ่งไปอะไรก็รอให้ถือเวาลาอิชลอ็อกละหมาดอิชลอ็อกได้ผลบุญเหมือนผู้ชายไปมัสยิดเหมือนกันเลยง่ายไหมครับง่ายเนาะ มันอยู่ที่ว่าจะทํำไม่ทําครับปัญหามอยู่แค่นั้นแหละคืออิสลามทุกอย่างง่ายหมดแหละครับสําหรับคนที่จะทําง่ายหมดถ้าไม่ทําทุกอย่างมันยากหมดหลยแค่ละหมัดอีชาอย่างยากเลยครับขณาดเวลายาวๆนะถ้าคนไม่อยากละหมาดถึงเวลาปุ๊บฉันเพิ่งกลับมา้ฉันเพิ่งอาบน้ำหรือฉันอยากเล่นไลน์ก่อนฉันอยากเล่นเฟซก่อนฉันอยากดูหนังก่อนฉันอยากบางกรีนก่อนเฮ้ยอะไรนี่มันเที่ยงคืนทีหนึ่งแล้วไม่ไหวแล้วต้องหลับก่อนอเดี๋ยวซูโบค่อยตื่นมาละหมาดใช้อีชาแล้วกัน คิดว่ามีไหมครับอันนั้นยังดีนะยังคิดจะละหมาดใช้นะครับบางคนนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอชั้งแก่ก่อนเหมือนกับที่บ้านเราใช่ไหมครับบางท่านอ่ะจะบอกว่าอย่างมุสีมาเนี่ยจะไปรีบคุมหิบยาบทําไมเดี๋ยวรอแก่ๆก่อนนะรอถึงขั้นป้าขั้นนา้าแล้วค่อยคุมหิบยาบค่อยเตาบ้าค่อยอะไรก็แต่ละคนก็ได้รับในสิ่งที่เขาเลือกได้รับในสิ่งที่เขาเลือกครับผม อย่านี้นตอนนี้พูดถึง3อย่างแล้วที่ว่าเกี่ยวกับตอนเช้าใช่ไหมครับมีอะไรบ้างนะครับอันแรกที่เราพูดถึงก็คือเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมจะเริ่มลุกมาหาริสกีและมุสลิมเราเป็นคนกลุ่มคนตอนเช้ากลุ่มคนตอนเช้ารุ่งอันที่สองก็คือเราพูดถึงเมื่อยามเช้าเนี่ยเราสามารถใช้ในการทำซาลากรได้เลยซึ่งท่านอบีก็พูดถึงว่าขอแค่ละหมาสองรากะซึ่งถ้าเรามารวมกับดูฮาอันที่3มที่เราพูดเราได้หมดเลย ได้ทั้งดูฮาร์ได้ทั้งผลบุญการทําฮัทได้ทั้งผลบุญ อ, าอาวาบีได้ทั้งผลบุญของอิชลอกได้ทั้งผลบุญของเซอร์แล้วก็โอ้แจ็คพอตเขาเียกแจ็คพอแตกใช่ไหมครับรวมมาเลยหลายๆอย่างเนี่ยง่ายไหมง่ายมีสักกี่คนทําน้อย <c oughs> น้อยนะเกิน <c oughs> เหมือนกับที่อาจารย์ผมชอบพูดนะครับคือมันเหมือนกับว่านรกเขาของพระอ๋อภัยเขาบอกว่าสวรรด์เนี่ยทางฉลุยเลย แต่คนไม่ค่อยอยากจะไปนรกกระทางตันเนี่ยคนจะพยายามตะเกียกตะกายปีนเข้าให้ได้จะทุบกาแพงจะทุบรั้วฉันอยากจะเข้าเลยเกินก็อินทรีลาครับงั้นเรามาดูถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะบอกฉันทําไม่ได้บางคนอาจจะบอกฉันลุกมาละหมาดไม่ได้ฉันเป็นผู้หญิงมีรอบเดือนมีอะไรก็ตามแต่แอบฉันละหมาดไม่ได้ละหรือว่าปัญหาอะไรก็ตามที่มีฉันละหมาดดูฮาไม่ได้ฉันต้องทําธุรกิจฉันต้องทําอะไรฉันทําอะไรได้อีก อันที่4ี่ครับในเรื่องของช่วงเวลาเช้าอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการรำลึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมครับอยากจะละหมาดดู่าจะละหมาดอิสลามหรืมีการรำลึกซึ่งในบันทึกของท่านอิบนะอับเบสครับเมื่อกี้เราว่าทางรัดเยอะหรือยังครับอิสลามมีแจ็คพอตเยอะใช่ไหมจะเอาแจ็คพอตที่ใหญ่กว่านั้นไหมครับอ่ะใหญ่กว่านั้นนะง่ายกว่านั้นด้นะง่ายๆนะเราเน้นง่ายๆเราเป็นกลุ่มชนที่อ่อนแอเราอยากได้อะไรง่ายๆที่มันเบื่อ ในเรื่องของท่านหนัวบาสเดียลอวันฮุมาครับจากท่านหญิงชุไอริยะครั้งหนึ่งครับเป็นคืนที่ว่าท่านเบียมัสลาสลับเนี่ยค้างคืนอยู่กับท่านหญิงชุไอริยะพอเช้ามาท่านนบีก็ออกไปละหมาดจะมาเนีละหมาดฟ ร, รัชดีเสร็จปุ๊บท่านก็ออกไปทําธุระคือไม่ได้อยู่ละหมาดอวบีไม่อยู่อิชล็อก ok. ออกไปทําธุระท่านหญิงจุไอริยะก็นั่งเล่าลึกถึงอัลลอฮ์ตั้งแต่ละหมาดฟ ร, ชรัชดีไม่ได้ไปไหนเลย ท่นานอับดุลเลาะห์มัสเลย์สลามเมื่อท่านกลับมาครับเจอท่านหญิงจูเลียท่านอบดก็บอกว่านี่เธออยู่ในท่านี้ตั้งแต่เช้าแล้วเลยตั้งแต่ละหมัดก็จะดเสร็จเลยใช่ไหมท่านหญิงจูเรียบอกว่าไงครับใช่แล้วค่ะฉันอยู่นี้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วน่าจะน่าจะใจพองนะคือผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าออืแบบโอ้โเจ๋งไงท่านอับดุลเลาะห์มัสเลย์สลามพูดว่าไงครับเธอรู้ไหมฉันพูดแค่สี่คำ ฉันจะได้ผลบุญเท่ากับทั้งหมดที่เธอทํำมาโอุ้บานยนรกท่านหญิงอยู่กี่ชั่วโมงไม่รู้ครับจะหายแต่แรกนี่แบบว่าโอ้ทาเยอะทำเยอะอ ท, ำทำเยอะจริงๆแต่ท่านนบีมัสลิมสลัมกลับบอก <c oughs> ให้ท่านหญิงจุไอรู้จุไอริยารู้ว่าความเมตตาขอรอนั้นมากมายกว่านั้นมหาศาล <c oughs> ท่านนบีบอกว่าขอแค่ท่านนบีมัสลิมสลัมหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ศรัทธา ตอนเช้านี่แหละลำลึกถึงล้อพูดแค่สี่อย่างผลบุญเทียบเท่าคนที่ว่าอยู่ตั้งแต่ฟัจดีเสร็จลำลึกถึงพวกล้ อ, ลอจนถึงช่วงสายเลยสี่คำนี่มีอะไรบ้างครับใครใครรู้บ้างมาช้าละมาช้าละมามาไปเรียนคำถามที่น่าสนใจดีกว่าครับแปลว่าอะไรครับโอเคสุบฮานอัลลอฮ ซูบฮานะลอเ่รู้อยู่รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันมีหลายสายรายงานนะครับผมขอเอาจากในบรรันทึกเามุสลิมแล้วกันท่านใดเอาสายรายงานอื่นก็ไม่ว่ากันอาจจะมีการสลับคาบ้างในเยมุสลิมครับท่านอบุลีมัสยามบอกว่าเนี่ยสอย่างนี้ก็พอแล้วให้พูด3มจบอ่าสคํานี้นะพูด3มจบก็คือทั้งบทเนี่ยให้พูด3มจบคือคาว่าอะไรครับซูบฮานะลอฮิวะบฮัมดีฮีซูบฮานะลอฮวะบฮัมดีฮี อันนี้ไม่จบคำแรกนะ subhanallah wa bihamdihi ada da khalihi s u a n a l l a h wa bihamdihi ada da khalihi วักที่สองครับ waridha nafsihi wazina a r s h i h wamida da kalimatih หลายท่านท่องได้อยู่แล้วใช่ั้ยครับ อ่ทูซานบอกใช่ไหมอธรรมำไปแล้วนี่แหละท่านบิบิโลสโลนิลอบอกว่าไงครับขอแค่พูดวัเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแบ่งอยู่เป็นทั้งหมด4คํคำหลักๆเนี่ยอ่าน3มจบเนี่ยผลบุญเข้ากับท่านหญิงจุไอยาที่นั่งมาตลอดทั้งเช้าเลยเมื่อกี้แจ็คพอตแล้วอันนี้ยิ่งกว่าแจ็คพอตบางคนบอกแล้วมาเส่ฉันอ่านแค่เมียฉลุยแล้วอ่าแล้วก็นั่งร้อยฉลอัอ่านั่งรอยฉลอบ ยิ่งอ่านนี้ไปเรื่อยๆอีกก็ผลบุญมหาศาลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะว่าเลาะใจแล้วนมาประเด็นสําคัญครับทําไมสีว่วคนี้จึงมีผลบุญมหาศาลเทียบเท่าการลําลึกถึงพวกละเป็นชัว่วโมงมันอยู่ที่ความหมายเพราะความหมายไม่ใช่แค่ว่าเพราะเป็นคิดเป็นต้องใช้คําอย่างนี้มันเข้าคิดล็อกพอดีไม่ใช่ความหมายล้ว น, ลวนเลย เพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามอ่านแล้วใช่ไหมได้เวลาเอาความหมายจะได้เพิ่มผลบุญและจะได้รู้ว่าทำไมวักนี้ผลบุญถึงมหาศาลเกินจินตนาการขนาดนี้มาดูความหมายจากคำแรกครับสุบหาน ล, ล้อสุบพาน ล, ล้อแปลว่าอะไรยะยมหาบริสุทธิ์แด่ล้อฟังแล้วเข้าใจไหม <c oughs> เอาใครช่วยแปลไทยเป็นไทยให้ผมเข้าใจหน่อยมหาบริสุทธิ์แด่ล้อแปลว่าอะไร เราจะล้างพวงละล้อเหรอเอาสบู่ไปล้างเหรอน่าซักหรือลไม่ใช่แน่นอนมหาบริสุทธิ์แดง ล, ล้อแปลว่าอะไรจะได้ครับอัลฮัมุดินแล้วครับเยี่ยมครับความหมายของคาว่าสุบฮานลล้อเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดสี่เรื่องด้วยกันที่ว่าบริสุทธิ์แดง ล, ล้อะนะครับ ขอสวดีต่อละล้อมเราขอสวดีต่อละล้อมหาบริสุทธิ์แด่และเนี่ยที่เราบอกผู้ละทรงบริสุทธิ์เนี่ยแปลว่าอะไรมีความหมายครอบคุมทั้งหมด4เรื่องด้วยกันสุภาณละนะครอบคุมสีด้านด้วยกันด้านแรกคืออะไรครับพผู้ละไม่มีตําหนิพวกเราเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเตียง ก, กายพงไม่มีตําหนิเหมือนกับที่ท่านอับดุลเบี๊ยงมัสยิดส์รัมพูดถึงดัชฌานบอกว่าไงครับดัชฌานนั้นตาเขามันมีตําหนิ แต่เพราะผู้อัยการของเจ้านั้นพ อ, องค์ไม่มีตําหนินั่ก็แปลเมื่อเราบอกว่ามหาบริสุทธิ์แต่พงษ์ลวก็คือพงค์เป็นผู้ซึ่งไร้ซึ่งข้อตําหนิไม่มีเลยๆทรรี่เขาเป็นข้อตําหนิเนะี่ยไม่มีอันแรกพอองษ์ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าข้อตําหนิอันที่สองครับพอองค์ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าข้อบกพร่องคุณลักษณะที่บกพร่องอย่างเช่นอะไรครับลืม อย่างพวกเราลืมใช่ไหมครับเราทำดีอะไรไปทําชั่วอะไรไปมีอะไรที่เราแค้นมากๆไม่แค้นมากๆบางทีมันลืมแต่พวกเราไม่มีคนในลักษณะที่บกพ้องอันแรกนี่คือไม่มีตําหนิอันที่สองไม่มีข้อบกพ้องอันที่สามครับอะไรก็ตามที่ผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวถึงพระองค์ด้วยความดูถูกนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระองค์เป็น ถ้าเราไปดูในเฟซในไลน์เวลาคุยกับคนที่ไปเสด็จพระเจ้าเขามีคาําด่าพระเจ้าเยอะแยะถูกไหมครับคําด่าหยบาบหยาด่าเสียสาเสียเทเสียอะไรก็ตามเมื่อเราบอกว่าสุบฮานัลลอฮแปลว่าเราขอประกาศว่าพระค์นั้นบริสุทธิ์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกนั้นว่าจับช่วงพระองค์นี่คือความหมายที่สามของคาว่าสุบฮานัลลอฮแล้วก็ความหมายสุดท้ายครับก็คือความหมายที่อาจารย์บอกก็คือพวกนั้นบริสุทธิ์โดยที่ไม่มีภาคี ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระ อ, องค์ไม่มีผู้ใดเหมือนพระ อ, องค์หรือว่าขายพระ อ, องค์ก็คือไม่มีสิ่งถูกสร้างได้เหมือนพระ อ, องค์คือเราไม่บอกว่าพระอรรณ์นั้นเป็นเหมือนกับผู้ชายเป็นเหมือนกับคนแก่มีเขาเขาวขาวเหมือนกับความเชื่อของบางศาสนาที่เขาเปรียบเทียบอย่างซุสเขาบอกพระเจ้าคือซุสใช่ไหมซุสเนี่ยเป็นคนแก่เขาเขาวเหมือนคนเป็นมนุษย์ผู้ชายถืออะไรก็าตามแต่สายฟ้านี่ที่เขาว่าเนี่ย ก็ค <ping> ือเมื่อเราบอกสุบฮานัลลอฮ์ก็คือผู้ร้อนนั้นไม่มีชีริกไม่มีภาคีสำหรับพระองค์ไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีใครคล้ายพระองค์นี่คือความหมายของคาว่าสุบฮานัลลอฮ์อ่าทบทวนครับสี่ความหมายครับพี่น้องที่รักครับเมื่อเราพูดถึงคาว่าสุบฮานัลลอฮ์เราบอกว่ามหาบริสุทธิ์แด่ลอและกำลังบอกว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ์จากการมีหนึ่งข้อตำหนิอันที่สองข้อบกพร่องอันที่สามคุณลักษณะใดๆก็ตามแต่ที่มีการใส่ร้ายไปยังพระองค์อัลละแล้วก็อันที่สี่ พระองค์นั้นไม่มีภาคีไม่มี ค, คู่คู่เคียงไม่มีใครเสมอเหมือนพระ อ, องค์ครับเมื่อพูดสุภานะลออย่งนั้นความหมายเยอะไหมเ<ม>ยอะแค่คําว่าสุภาละลอแล้ ว, ลวเรามีอะไรต่อครับเรามีอะไรต่อคือถ้าเกิดพูดถึงสุภานะลอถ้าเกิดเราพูดถึงฮะดี 1, สิบทหนึ่งท่านมีเยสัมบอกว่าสิ่งที่หนักสําหรับตาช่างแต่เบาสําหรับลิ้นหนักที่ว่าเอาทุกอย่างในดุนยาทุกอย่างมาช่าง จะเบากว่าคือคำว่าอะไรครับซุบฮานะเ ล, ลาะวะบิฮัมดีฮีซุบฮานะเ ล, ลาะและอัลริมอ่าก็คือมารดุสเดลแล้วขอสรุรต่อพระองค์ต่อไปครับวะบิฮัมดีฮีแล้วบอกว่าขอสรุรย์ต่อพระองค์ความบริสุทธิ์เป็นของพระองค์แล้วก็มือนการสารเสริญนั้นเป็นของพระองค์ทบทวนครับซูลาะอิคลอาซูลาะอัลฟาติฮะซูลาะแรกที่เราพูดคุยกันในคอสทับซีดของเรา เราบอกว่าอลรามดุลิและการเสริญต่ออัลลอฮ์ไปว่าอะไรตอนนี้ยายยังไม่ได้เข้าร่วมเนาะรอดไปเนาะอ่าไม่ถามการที่เราบอกว่าขอเสริญต่ออัลลอฮ์มันเป็นการขอบคุณยิ่งกว่าการขอบคุณคือปกติถ้าเราใช้คําว่าขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์คำว่าขอบคุณเราใช้ในเรื่องที่เรารู้ว่ากําลังขอบคุณเรื่องอะไรอ่าขอบคุณที่อัลลอฮ์ให้เรามีแต่ขอบคุณที่อัลลอฮ์ให้เรามีครอบครัวที่ดีขอบคุณที่อัลลอฮ์ให้เงี้ยอย่างนี้ราเรียกว่าขอบคุณ แต่คําว่าอัลฮัมดูการสรรเสริญใช้ในกรณีที่ว่ามันมากเกินกว่าที่เราจะสามารถขอบคุณได้แล้วคือมันมีเยอะมากทั้งที่เรารู้ที่เรารู้นี่ก็เยอะแล้วขอบคุณไม่ไม่หมดไม่ห ม, ห, ม ห, มหมดเสียงแล้ะที่เราไม่รู้เยอะกว่านั้นอีกความเมตตาของลอตที่มีต่อเรานะที่เราไม่รู้มีมากกว่าที่เรารู้อันนี้ขอให้ผู้สัทธาเราเชื่อมั่นได้เลยเอลลอตช่วยเรามากกว่าที่เรารู้ตัวซก ที่เรารู้ตัวมันเหมือนกับเป็นเพียงแค่ปลายยอดภูเขาที่พ้นทะเลมาแค่นั้นครับเดี๋ยวรับอาจารย์กอนครับผม อัลลอฮฺเรบาฮาตุลแทนสซาตินขาให่มฮมมัลซดลฟดีลบะะลมักาหมะมห์มุลิบะตดฮอัลฮะฮฺรมาตันเรื่องดูอาวันนี้เราคงได้แค่ดูอานะครับผมรู้สึกช่วงหลังๆผมชกจะชักกระเพินไปหน่อยนะครับซ่สรอบหนึ่งไม่จบเราเราเราไปกันเรื่อยๆแล้วกันครับอาจารย์ไม่ว่านะครับผมไปเรื่อยๆนะครับครับ งั้นเรามาดูความหมายสุบานาลอได้คอลกีฮ <Cher away alah> ิวาริดนนับสีวารีตะอารชีบอมิดาไดกิริมาติฮีมาดูความหมายโดยรวมว่าแปลว่าอะไรเรารู้ความหมายสุบานาลอแล้วเรารู้ความหมายของคำว่าอัลคำเดียแล้วแล้วก็คือการที่เราขอบคุณต่อพระองค์แล้วทั้งสิ่งที่เรารู้ทั้งสิ่งที่เราไม่รู้ทั้งเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตเราขอขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความหมายว่าวะบีฮัมดิฮีแล้วก็ขอสรรเสริญต่อพระองค์ก็คือซาลีตอัลลอฮ์และด้วยกกับารรรรสสเิญต่ออพะงค์ ทีนี้ครับประเด็นของความลึกซึ้งของดูอาบทนี้ดูอาสั้นสันบทนี้ท่านอบีบอกว่าไงครับอ่ด้ขลกีฮีขอเสรีต่ออลัลลอฮ์นะขอสรเสรินต่อพวกอลัลลอฮ์นะด้วยจำนวนครั้งที่เท่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์สร้างว้าวอาลิจทางรัฐขนาดนั้น พวเราสร้างกี่อย่างครับคือไม่ต้องพูดอะไรมากอะ่ะเราเราไม่ต้องไปไหนไกลนะเราดูแค่ในร่างกายเราอ่ะครับอะไรก็ตามที่พวกเราสร้างในร่างกายเราเล็กที่สุดคืออะตอมหรือว่ามีเล็กกว่ า, ววานั้นอีกไหมอ่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ในร่างกาย ยังไม่ได้พูดถึงเขาบอกว่าในละในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีส่วนที่ไม่ใช่มนุษย์มากกว่าส่วนที่เป็นมนุษย์เคยได้ยินกันไหมครับแบคทีเ r ียเออไรเอยที่มันอยู่ในร่างกายเนี่ยเขาบอกมีมากกว่าส่วนที่เป็นมนุษย์อีกแล้วแค่คนคนหนึ่งที่พวกเราล้อสร้างให้อยู่แล้วพูดแค่แบคทีเ r ียในกระเพาะเนี่ยเราคิดว่ามีกี่ล้านตัวยาคู ahu, ที่มีเล็กตัวแบคที ria นี่กี่ตัวนะครับพันล้านใช่ป่ะแล้วเรามาดูว่าในร่างกายเราแบบ สิ่งที่มลลสร้างผมไม่ได้พูดทั้งโลกในร่างกายเราเฉยๆแต่ตอนนี้เรากําลังขอดุอาจากอัลลอฮฺว่าขอสรตย์รีต่อพระ อ, องค์ขอสารเสริญต่อพระ อ, องค์ด้วยกับจํานวนครั้งที่เท่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองสั่งโอ้พูดประโยคเดียวกี่ล้านล้านครั้งนี่คือเหตุผลที่ว่าท่านอบีพูดกล่าวแค่นี้แหละท่านเบีบอกแค่สามจบและเทียบเท่าเลยกับที่ท่านอิหมุนช่วยริยานั่งมาทั้งตลอดช่วง ช่วงสายเอาบอกก่อนนะครับในฮะดิษเหนี้ท่านอบี๊ะละหมาดดูฮะก่อนแล้วถึงเข้ามาที่อิหมุลิยาณนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าท่านอิหมุลบีไม่ได้ละหมาดดูฮะท่านอบดุีละหมาดดูฮะก่อนแล้วถึงเข้ามาหลังจากนั้นครับเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรครับปริมาณอาจไ ด, าดา้ได้ข้ <c oughs> อกเหนือจากปริมาณรีดอนนับสีผมขอแปลที่หลังสุดจะได้เข้าใจง่ายขึ้นพังเราบอกไหมครับวาซีนาตอาร์ชีฮี ด้วยกับน้ำหนักที่ยิ่งใหญ่ในสิ่งที่เราสร้างอะไรหนักที่สุดอะไรใหญ่ที่สุดครับอารชวาซีนะอารช i ฮีขอสรดีต่อพระ อ, องค์ขอสรอเสริญต่อพระ อ, องค์อย่างมหาศารอย่างยิ่งใหญ่อย่างหนักหน่วงเทียบเท่าอารชของพระ อ, องค์อารชของพระ อ, องค์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาตไม่มีอะไรที่เทียบเท่าได้ง้นทางในเรื่องของ ปริมาณเยอะเกินจินตนาการทั้งในเรื่องของความหนักแน่นเทียบเท่ากับอารสตของพระองค์ว่ามีดาดาการีมาติฮีแล้วด้วยกับการที่ว่าแพ่กระจายพูดให้คำพูดมันแพ่กระจายออกไปเทียบเท่ากับคำพูดของพระองค์อันล่ะ คำพูดของพวกอัลลอฮ์ที่สุดที่ไหนครับไม่มีที่สิ้นสุดกุลเลาการในบารุมีดาดัลิกะลิมาติรับบีและนาฟิดลับบารุกอบลันต่งฟะลกะลิมาติรับบีเวลาอจีนาบิมิสลิฮิมาดาดาเพราะเราก่าวในกุรานช่วงท้ายของสุลต้าฟี่ครับจงบอกเกิดมุฮัมมัดหากเอามหาสมุทรทั้งหมดมาเป็นน้ำหมึกกับปะกาธรรมดานะไม่ใช่ปะกาใหญ่เท่วโลกนะปะกาใหญ่เท่วโลกนะั่งเพลงแม่เนาะ ในสารกาแฟพวกเราบอกปากกาธรรมดาเนี่ยแหละแต่น้ำหมึกเอาเป็นน้ำทั้งมหาสมุทรเพื่อมาเขียนภาณนาพระดำหลัดของพร ว, วกเราพอเราแกวในกุรไกรว่าทะเลจะแห้งก่อนที่พระดำหลัดของเราจะหมดแล้วต่อให้เอาอีกทะเลหนึ่งที่มีปริมาณเท่ากันมาเขียนต่อทะเลก็จะหมดต่อสุบฮานอันลลอฮฺ หมายความว่าอย่างคัมภีร์คุรานน่ยถ้าใช้พวศ์รัประทานมาเนี่ยกี่ล้านเล่มพงค์ก็ประทานมาได้คําพูดของพงศ์มีที่สิ้นสุดแล้วเราดูครับเรากําลังพูดขอดูดาขอดูอาขอเสรรเสริญขอสรีต่อละด้วยกับปริมาณที่มากเกินจินตนาการแต่มันมีจํานวนจากัดถูกไหมครับที่พงศ์สร้างที่พงค์ทรงสร้างด้วยกับความหนักแน่นที่เทียบเท่ากับอารัก์ของพงค์ด้วยกับการแผ่กระจายความกว้างใหญ่ที่ ไม่มีที่สิ้นสุดอันสุดท้ายไม่มีที่สิ้นสุดนะคำพูดของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดละนี่ฮะมาละนี่ฮะแยแต่ละแหไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือการที่เราพูดแล้วก็วักที่ผมข้ามไปครับวารีดอนนับสี่ทั้งหมดนั้นด้วยกับรูปแบบที่ทําให้อัลลอฮ์พอใจ เพราะขอบคุณบางบางคำขอบคุณเราฟังเหมือนกับที่เราฟังมนุษย์พูดอ่ะเฮ้ยมันขอบคุณเราจริงหรือเปล่าหรือมันแอบดา่าเคยเจอไหมครับมันขอบคุณแอบดา่าแต่นี่คือเราขอซาดูดีต่อพระองค์ Allah เราขอให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ Allah เราขอสรรเสริญต่อพระองค์ Allah ด้วยกับปริมาณที่มากมายเทียบเท่ากับสิ่งที่พระองค์สร้างทั้งหมดเลยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันขนาดไหนด้วยกับความหนัก แน่นที่เทียบเท่ากับอารัสของพวงอล้อซึ่งมันหนักที่สุดแล้วที่พระองค์สร้างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนต้องใช้หน่วยหน่วยหน่วยวัดอะไรเราไม่รู้เลยมันเกินจินตนาการแล้วแล้วก็ด้วยกับความแผ่กระจายก็คือความต่อเนื่องผลที่มันกระจายออกไปไกลทเทียบเท่ากับคำพูดของพวงอล้อที่ไม่มีที่สิ้นสุด 3. จบผลบุญมหาศาลแต่ต้องย้าว่าต้องได้ความหมายนะ เพราะความหมายมันยิ่งใหญ่ที่พวกเราเลอให้ก็คือความหมายที่ยิ่งใหญ่และเราจิตนาตามนี้ทางรัฐจะได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจทางรัฐเราไม่ได้นะถ้าไม่เข้าใจนนยะของทางรัฐเราไม่ได้เพราะท่านบีเหมือนกับที่ท่านบีบอกว่าเราไม่รับการขอของคนที่ไม่รู้ตัวว่าขออะไรเพราะนั้นเราอ่านว่าไงนะครับ s u b h a n a l ขัลกิหิวรดานัสหีวจินตาอารชีฮีวมิดาดาคลิมาติฮีสามจบผลบุญมหาสารอย่าลืมความหมายอย่าลืมความหมายอย่าอ่านด้วยความเคยชินอะไรก็ตามที่ทำด้วยความเคยชินเกินไปคุณภาพมันจะดรอคุณภาพมันจะล ด, ดรครับหมายหมายบุญลักษณะหมายถึงว่าผมยกตัวอย่างนะครับ สมมุติว่าผมจะเหื่ออาจารย์อุ่ววี่ชั่วโมงอาจารย์อุ่ไหวครับอุ่วมายุตรแริแล้วครับครับแต่สําหรับพวกเราล้อแล้วเหมือมีที่ส้นสุดพวกสามารถทําได้เป็นคามสมาาของพวกเหมือนกับว่าคัมภีร์กุร่านนะครับอย่างที่อังกุ๊ก ก, คคก็คือคัมภีร์กุร่านคือคําอู่ของพวกเราล้อเป็นกุเป็นคัมภีร์ที่ว่าแค่บทเดียวมนุษย์ถึงโลกมาสามารถรวมตัวแต่งได แค่บทเดียวไมครับมนุษย์ถึงรรวมตัวกันแต่พวงละล้อบอกว่าถ้าพวงละลต้องการเนี่ยแบบกอุอานเนี่ยจากกีเล่หพว ก, กับแตงใดนี่ก็คือ ค, คาอูที่ว่าหมืที่สิ้นสุดของพวงละลก็ ค, คือพวงละลสามารถู้ได้บบที่สิ้นสุดเกินจินตนาการเลยคือสำหรับเาคำอูของพวงะในกุฎีอ่านก็คื อ, อรถึงยาสาเก้าตัวสาวเก้าตัวมันรวมกันแล้วมันห ม, มืที่สิ้นสุดมันเกินจินตนาการแล้วถูกครับรว่าาสรสตเรียบได้กับ่แบจบจวน คำพูดที่มันไม่สิ้นสุดครับผมครับสุดยอดดีกว่าสุดยอดดีกว่าในช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นกเ็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเรามาดูดูอาที่ท่านอับดุลเบี๊ยมัสยิดซามอ่านเป็นประจําในช่วงเช้าเพื่อจะได้ไประโยชน์กันหรือว่าตอนนี้เรามีเวลาอยู่หรือเปล่าครับจะไปต่อไหมหรือว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราเค่อยมาคุยกันจะได้มีเวลา ย, วยาวๆหน่อยเอางี้นะครับชิวๆแล้วกันเนาะวันนี้หนักแล้ว ได้ดูบทนี้บทเดียวนี่ก็คุ้มนะอาจารย์จะถามว่านำมาการเรียนที่สุรศสมเป็นมาชาร์ลอสครับเราจะคุยกันในสุรศะอะไรลเรสุรศหลังจากนี้คือสุรศนี้เป็นสุรศตอนกลางวันสุรศตอนกลางคืนเดี๋ยวเราไปเจาะประเด็นถ้าเกิดพูดตอนนี้ก่อนละหมาดยามค่ําคืนที่สุดที่ดีที่สุดก็คือละหมาดยามค่ําคืนที่เราได้หลับแล้วแล้วเราต้องฝืนตัวเองตื่นขึ้ น, นมา นั่นแหละมันยากเพราะยากก็เลยผลบุญเยอะแล้วต้องฝืนขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่งในสามสุดท้ายของคืนคือประมาณตีสองเป็นต้นไปตีสองตีสามหรือว่าก่อนละหมาดพราชจดีก็แหละลุกมาละหมาดจะกี่เลาะกาสกี่เลาะกาสละหมาดพระานบีว่าทีละสองทีละสองได้ครับแล้วแต่ครับเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพ ครับเอาคุณภาพมาก่อนปริมาณอ่านยาวดีกว่านสั้นอ่านยาวดีกว่าสั้นครับฮอ่านยาวนี่คืออ่านเยอะนะครับไม่ใช่ลากเสียงยาวนะหมายความถ้าเราจำซูร่าได้ก็ต้องมารวมรกันในหนึ่งรอบอ่านหรือไม่งั้นก็อ่านอีคลาสสิบจบก็ได้บางคนบอกฉันท่องได้แค่อีคลาสอ่านไปในสิบจบเองครับสิบจบได้สำลักสักคือนื้อหาครับจะได้ก็ได้ครับคือพงศ์อากาศได้กุร า, ว น, าวนว่าฟักกราอูมาแตยสัลลามิน ให้อ่านอะไรก็ตามที่มันง่ายสำหรับเราเราไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปตะแบงไม่ต้องไปถึงขั้นว่าฉันจะโบรานมาเปิดได้มเลยใช่ไม่เอาง่ายๆที่เราต้องได้ดีที่สุดเราจะอินกับสิ่งที่เราทำมากกว่าเพราะนั้นแบบนั้นถ้าได้ตะฮัดยุดด้วยได้ดูฮารด้วยมาชาวร้อเลยอย่าลืมละหมัดฟัเจรี่แล้วกันไม่ใช่ได้หมดแต่ฟอเจรีไปเลย แม้แต่ดิฉันก็จะเอาถือเวลาปุ๊บหลับยาวเลยแล้วแบบฟัรี่ตื่นมาดูฮาพอดีฟัชชั่นก่อนเราเคยดูฮาไงนี้ก็ไม่ใช่นะครับช้าใช่คือช่วยมีคนดูดูแลคนข้ารงครับครับคือถ้าถึงเวลาจําเป็นจริงๆเอาฟัชดูไว้ก่อนฟัชดูสําคัญที่สุดคือสุนนะจะเยอะแค่ไหนสั้นฟัดดูไม่ผ่านสุนนะไรค่าฟัชดูต้องมาก่อนที่เป็นบายิปนะครับต้องมาก่อนแล้วก็วายิปได้ เอาสุนัขไปเสริมให้ให้วายยิบสวยขึ้นแล้วก็ไปทำให้มันดีขึ้นเหมือนกับละหมาดสุนัขต่างๆที่ว่าจะทําให้ห ม, มาดพัะดูของเรานั้นดีขึ้นใช่ไหมครับผมงั้นถ้าได้มีคําถามได้ต่อครับงั้นวันนี้นะครับเราเ อ, อ, อยู่ในช่วงอายะแรกของสุราวัดุฮูฮะอยู่ก็คือสุร์ อ, อ, อายะทว่ารวดุฮาขอสาบานในช่วงเวลายามกลางวันซึ่งสาระต่อไปครั้งต่อไปเราจะมาพูดคุยถึงดูอาต่างๆสั้นๆที่ท่านอบีส่งเสริมให้มุสลิมได้อ่านในตอนเช้า แล้วเราก็จะไปสู่ช่วงอายะต่อไปอินชาลอครับผมถ้าเกิดมีอะไรล่วงเกินเท่าใดไปก็ขอมาบด้วยแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็ขอดูอาจากพวงร้อนนะครับให้เนี่ยดีๆนะเนี่ยดดีๆให้การรวมตัวของพวกเราในครั้งเนี่ยให้มันอยู่ในตาช่างที่ดีงามของพวกเราเพราะเพราะอะไรครับเพราะในวันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครที่เข้ามารับชมอย่างพี่น้องทางบ้านเนี่ยที่ท่านสามารถมารับชมได้เนี่ยก็เพราะว่ามีการรวมตัวในที่นี้ ถ้าพี่น้องทางบ้านเอาไปทําเราได้บุญหมดเลยนะเนี่ยดีๆเพราะนั้นเนี่ยดีๆส่วนพี่น้องทางบ้านก็เป็นส่วนส่งเสริมสำหรับคนทีพวกเราอยู่เพราะนั้นก็ผลบุญก็แจกกันไปแจกกันมาผลบุญของพวกเราไม่มีคําว่าขี้เหนียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอสําคัญก็คือว่าเนี่ย ด, ดีๆถ้าเนี่ยไม่ดีไร้ค่าถ้าเนี่ย ด, ดีปุ๊บินชาวล้อครับหวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะทําให้พวกเราไม่เสียใจในโลกแน่ أقول كولي هذا وسقف الله لي بدكم برسال المسلمين من كل ذم وسقفوا إنه هو القفور رحم سبحانك الله ما بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفروا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م الله وبركاته